บทสวดมงคลจักรวาล น, น้อยสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรมมรัตนังสังขรัตนังติ น, นังรัตนานังอนุภาเวนะจะตุราสีติสหัสธรรมขันทานุภาเวนะปิตากัตตยานุภาเวนะ ชินสาวนากานุพาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเต อ, อัตตารยาสัพเพเต อ, อุปัถวาสัพเพเต ท, ทุนนิมิตตาสัพเพเต อ, อวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัตทโกทนวัตทโกสิริวัตทโกยะสวัตทโกพระลวัตทโกวันนวัตทโก สุขวัตถโกโหตุสัพพธาทุกขโรขภยาเวราโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตชะสาชยสิทธิทน่งลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคงวุต ธ, ธิจะยะสวา สะตะัตวสสาจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเต